ตำแหน่งเท้าสกัะพระอินเรื่องตำแหน่งเท้าสกัะหรือพระอินเป็นตำแหน่งราชาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นอย่างได้อ้างในวิสัยหะชาดกอัตถกะถาเล่าเรื่องเท้าสกัะในสมัยดึกดำบรนก่อนพุทธกาลนานไกลแต่เท้าสกัะองค์นี้ดูเจ้าห่วงตำแหน่งอยู่มากจนถึงเกรงว่ามนุษย์ผู้ตั้งหน้าทำความดีจะคิดแย่งตำแหน่งความย่อมีว่า มีเศรษฐีผู้หนึ่งในกรุงพาราณสีชื่อว่าวิสัยหะเป็นคนใจบุญถือสินห้ามีทยาศัยยินดีในทานการบริจาคตั้งโรงทานที่ประตูเมืองทั้งสี่ที่กลางเมืองและที่นิเวศของตนสละทรัพย์บริจาคทานมีจำนวนมากมายทุกๆวันร้อนถึงเท้าสกะเทวราชคืนนี้เป็นสำนวนไทยส่วนสำนวนมคตว่า พบของเท้าสกะวันไหวด้วยอนุภาคทานแท่นปันทุกรรมพลศิลาอาจของเทวราชแสดงอาการกร้อนเท้าเธอทรงสอดส่องค้นหาว่าใครหนอคิดจะทำพระองค์ให้เคลื่อนจากฐานะคือตำแหน่งก็ได้ทรงเห็นเศรษฐีผู้บริจาคทานเป็นการใหญ่ซึ่งชรอยว่าจะหวังให้ทานนี้ส่งผลให้พระองค์หลุดจากตำแหน่งแล้วขึ้นมาเป็นเท้าสกะเสียเอง จำที่พระองค์จะบันดาลให้ทรัพย์สินของเศรษฐีนั้นหายไปให้หมดให้เศรษฐีกลายเป็นทุกตะเขียนใจไม่มีอะไรจะทําทานต่อไปได้ถ้าเธอทรงดําริอย่างนี้แล้วก็ทรงบันดาลให้ทรัพย์ทุกอย่างตลอดถึงทาตกรรมกรผู้คนทั้งปวงของเศรษฐีอันตรทานไปทั้งสิน้นไม่มีเหลือสักสิ่งหนึ่งสักคนหนึ่งผู้จัดการทานจึงมาแจ้งให้เศรษฐีทราบฝ่ายเศรษฐีเมื่อได้ทราบดังนั้น ก็สั่งให้ภริยาค้นหาสิ่งใดที่จะทําทานทั่วบ้านก็ไม่มีอะไรให้เปิดคลังค้นหาก็ไม่พบอะไรว่างเปล่าไปทั้งนั้นเศรษฐีก็ไม่ยออ่อท้อคิดจะทําทานให้จงได้จึงชวนภริยาคว้าเขียวตะก้าและเชือกที่พอเอ่ยมีคนตัดหญ้าขายคนหนึ่งมาทิ้งไว้ตรงไปที่ดงหญ้าช่วยกันเกี่ยวหญ้าไปขายได้ทรัพย์มาแล้วก็ทําทาน แก่ยาจกวันนิพกภูมาขอจนหมดทรัพย์ที่ได้จากการขายยาเรื่อยมาเป็นเวลาหลายวันเศรษฐีเป็นคนสุขุมมาชาาิเคยสุขสบายเมื่อมาต้องตรักตรำทำงานเป็นกรรมกรและอดอยากก็หมดกำลังลงทุกทีแต่ก็ใจแข็งมีความตั้งใจแรงอดทนเกี่ยวยาขายทำทานติดต่อกันไปได้จนถึงวันที่7ก็เป็นลมล้มฟุบลงบนกล่องา้า ฝ่ายเท้าส ก, กะได้ทรงเฝ้าติดตามสังเกตดูอยู่ทรงเห็นว่าเศรษฐีไม่ยอมเลิกทาทานด้วยวิธีที่ทรงบรันรดาลให้ทรัพย์หายไปนันแน่จึงทรงบรันรดาลให้เศรษฐีได้เห็นพระองค์ลอยอยู่ในอากาศในขณะนั้นตรัสขึ้นว่าก่อนแต่นี้เศรษฐีได้ให้ทานจึงได้สิ้นเนื้อประดาตัวแต่ว่าต่อแต่นี้ไปจะไม่ให้ทานเก็บรวบรวมไว้ก็จะตั้งโภค้าสมบัติขึ้นได้เศรษฐีถาม ทราบว่าเป็นเท้าส ก, กะดแทนที่จะตื่นเต้นเชื่อฟังกลับคิดหมิ่นว่าจะไหนเท้าส ก, กะซึ่งขึ้นไปเกิดเป็นเท้าส ก, กะได้เพราะความดีจึงมาห้ามไม่ให้ทำความดีจึงได้กล่าวตอบยืนยันว่าวงบันฑดิตกล่าวว่าอริยชนคนเจริญแม้ยากแค้นแสนเข็นก็ไม่ทำอนารยกรรมคือกรรมที่ไม่ใช่ของคนเจริญคือกรรมที่ไม่ดีเช่น เท้าส ก, กะมาห้ามความดีของเขาก็เป็นการทำไม่ดีเหมือนกันอย่าให้มีทรัพย์ที่เป็นเหตุให้สละศรัทธาบริจาคขึ้นเลยทีเดียวทางที่รถคันหนึ่งจะเล่นไปได้ก็เป็นทางที่รถอีกคันหนึ่งเล่นไปได้เหมือนกันคือทานศีลเป็นทางไปสวรรค์เท้าส ก, กะไปได้เศรษฐีก็ไปได้เหมือนกันขอให้วัดคือข้อปฏิบัติเก่าแก่ที่ฝังลง คือเป็นรากฐานของแผ่นดินแล้วคือธานวัดนี้จงสถิตเป็นวัดต่อไปเถิดคืออย่าถอนรากฐานของแผ่นดินออกเสียเลยแผ่นดินจะถลม่มฟ้าก็จะถล่มลงด้วยผีว่ามีทรัพย์ก็จะให้ต่อไปเมื่อไม่มีก็จะให้อะไรๆแม้เป็นทุกตะอย่างนี้ก็จะให้อย่าประมาทานเลยเท้าสักกะเมื่อไม่อาจห้ามได้ จึงตรัสถามความประสงค์ที่ให้ฐานนั้นเศรษฐีนั้นเป็นพระโพธิสัตว์จึงตอบว่าตนไม่ได้ปรารถนาจะเป็นเท้าส ก, กัดมิได้ปรารถนาจะเป็นพรมแต่ปรารถนาจะเป็นองค์พระสัพพันญูพุทธเจ้าในอนาคตเท้าส ก, กัดได้ทรงสดับแล้วพอพระหฤทยัยทรงรูปหลังของเศรษฐีด้วยพระหัตเศรษฐีก็กลับมีสกลกายบริบูรณ์อิ่มเอิบแข็งแรงในขณะนั้น ทรัพสมบัติทั้งปวงที่อันตรทานไปก็กลับปรากฏขึ้นเหมือนอย่างเดิมด้วยส ก, การุภาพเทา้าสกะได้ประทานทรัพย์นับไม่สิ้นสุดให้เพื่อเศรษฐีจะได้บริจาคทานต่อไปนานเท่าไหร่ก็ไม่หมดตามอัธยาศัยเรื่องนี้เมื่อดูไปตามท้อง น, นิทานก็เกิดจากเทา้าสกะระแวงว่าจะถูกแย่งตําแหน่งหรือที่เรียกในบัตรนี้ว่ากลัวถูกแย่งเก้าอี้ แต่เมื่อพิจารณาเข้าไปในท้องนิทานก็น่าจะได้สารคติแฝงอยู่หลายประการสารคติที่สำคัญนั้นคือการที่จะทําทานนั้นทีแรกต้องมีทรัพย์สิ่งของที่จะให้ก่อนฉะนั้นก็ต้องทําทรัพย์ให้มีขึ้นก่อนจึงทําทานได้เมื่อมีที่จะให้ไม่สิ้นสุดจึงอาจให้ได้ไม่สิ้นสุดการให้จึงมีขอบเขตจากัดอยู่กับการมี ผู้มีอัธยาศัยในทานจึงต้องมีอัธยาศัยในการหาทรัพย์ให้เกิดงอกงามเจริญด้วยคือต้องมีปัญญาหาทรัพย์และมีปัญญาที่จะเลือกให้เมื่อให้ทรัพย์ก็ไม่หมดสิน้นและการให้ก็ไม่หมดสิน้นทั้งเป็นการให้ในทางที่เป็นประโยชน์เมื่อให้ในทางที่เป็นประโยชน์ที่ถาวรเท่าใดก็เป็นการให้ที่ไม่หมดสิ้นเท่านั้นในบัดนี้เช่นตั้งเป็นนิธิ หรือสร้างสิ่งที่เป็นถาวารประโยชน์ต่างๆแม้ทรัพย์หรือวัตถุที่ให้จะเป็นส่วนน้อยแต่ก็เป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุดแม้การให้เพื่ออุปการะเกื้อกูลบุคคลเกื้อกูลสัตว์ก็เช่นเดียวกันเพราะช่วยให้เกิดความสุขความเจริญสืบต่อไปแต่การทำความดีเด่นนั้นก็อาจถูกคนดีด้วยกันที่เขาคิดว่าจะเอาดีไปเสียคนเดียวหรือคิดว่าจะแย่งดีแย่งชื่อเสียง ริยาขัดขวางเอาได้จึงอาจต้องผจนคนดีด้วยกันอีกก็ได้ทาไมาย่อท้อถอยหลังเสียรักษาแนวดีของตนไว้ให้มั่นไม่หุนหันพรันแล่นว่าเขาเป็นศัตรูไม่ดุเร่งที่จะให้ผลิตผลก่อนฤดูกาลก็จะเป็นผู้ชนะชนิดที่ไม่มีใครแพ้ในเมื่อความดีนั้นปรากฏว่าไม่เป็นอันตรายแก่ใครไม่เป็นของจำเพาะใคร แต่เป็นความดีที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนเป็นสาทานแก่ทุกคนไม่มีใครต้องเสียตำแหน่งความดีไปในสุทาโภชนะชาดกได้เล่าถึงพระอินทร์อีกอง์หนึ่งในสมัยเก่าก่อนพระอินทร์ในสมัยพุทธกาลซึ่งได้เคยเป็นมัคคานกในชาติก่อนแต่ไปเกิดเป็นพระอินทร์พระอาจารย์เล่าว่าพระอินทร์องค์อดีตนี้ชาติก่อนเป็นสิทธิชาเมืองพารณสี ได้ทาทานรักษาศีลโดยเฉพาะได้ให้ทานอย่างมากมายทํากาลกิริยาคือตายแล้วไปเกิดเป็นพระอินทร์หรือเท้าสกกะเทวราชกรองสวรรค์ชั้นดาวดึงเท้าเธอมีพระธิดาสี่องค์มีพระนามตามลำดับว่าอาสาสัทธาสิรีหิรีวันหนึ่งพระธิดาทั้งสี่องค์ได้ชวนกันเก็บดอกไม้ทิพมีกลิ่นหอม ร้อยเป็นมาลาประดับองค์พากันไปยังสะอโนดาดเพื่อเล่นน้ำนั่งพักอยู่บนแผ่นมโนศิลาในขณะนั้นพระนรธดาบทได้ถือดอกปริชาติแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงผ่านมาโดยถือกั้นเป็นอย่างร่มพระดาบทองค์นี้ออกบวชจากสกุลพราหมณ์มาเป็นพรตในป่าหินมะวันจนมีมหิตที่อำนาจขึ้นไปพักบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ เทพธิดาทั้ง4องค์มองเห็นดอกปริชาติที่พระดาบทถือมาก็ร้องขอจากพระดาบทเหมือนอย่างขอจากเทพบิดาของตนพระดาบทตอบว่าองค์ดาบทเองไม่มีความต้องการหวงแหนดอกไม้ทิพนี้แต่ก็จะให้แก่เทพธิดาองค์ที่ประเสริฐที่สุดฉะนั้นองค์ใดประเสริฐที่สุดก็ขอให้องค์นั้นมารับดอกไม้ทิพนี้ได้ เทพธิดาทั้งสขอให้พระดาบทเป็นผู้เลือกให้เองพวกตนไม่สามารถจะเลือกกันเองได้พระดาบทกล่าวว่าไม่ใช่กิจของสมณพันปชิตจะเป็นผู้เลือกอย่างนั้นจะเลือกองค์หนึ่งองค์อื่นๆก็จะน้อยใจขึงเครียดจะเกิดวิวาทบาดหมางจึงขอให้ไปทูลถามพระภูตาธิปะคือผู้เป็นใหญ่แห่งผู้ทั้งหลายซึ่งเป็นพระบิดาของตอนเองเถิด เทพธิดาทั้งสี่ไม่ได้ดอกไม้ไม่ได้คะแนนว่าเลิศจากพระดาบทก็โทมนัสต่างองค์ก็คิดว่าตนนั่นแหละเลิศ ก, ก็พากันไปเฝ้าพระอินขอให้ทรงชี้ขาดพระอินก็ไม่ยอมชี้ตรัสไกลเกลี่ยว่าคล้ายๆกันทั้งสี่องค์ที่นี่จะว่าใครดีกว่าใครให้ทะเลาะกันอย่างไรได้ยังมีพระดาบทรูปหนึ่งชื่อโกศยะ ต่างอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาด้านทิศทักษิณข้างหิมวันต์ประเทศถือวัดอยู่ข้อหนึ่งโดยเคร่งครัดว่าเมื่อยังไม่แบ่งพัดให้แก่ผู้อื่นก่อนก็จะไม่ฉันเองและเมื่อให้ก็จะเลือกให้ฉะนั้นให้พระธิดาทั้งสองค์ไปหาโกศิยดาบทครั้นพระอินได้ตรัสแนะนำให้พระธิดาพากันไปหาพระดาบทดังนี้แล้วก็ได้ตรัสสั่งพระ มาตาลีเทพสารถีให้นำสุธาโภชนะทิไปถวายพระดาบดพระมาตาลีได้นำถาดสุทาโภชไปวางในมือของโกศยาดาบดในเวลารุ่งอรุณพระดาบดมองเห็นสุทาโพชสวรรค์มีสีขาวเหมือนสังสะอาดมีกลิ่นหอมไม่มีอาหารอะไรที่เคยเห็นจะเปรียบเทียบได้คิดสงสัยว่าบางทีพระอินทจะประทานลงมากระมังแต่ว่าใครเป็นผู้นำมา พระมาตลีจึงได้ปรากฏทิพยากายกล่าวแก่ดาบทว่าองค์สกรินทระเทวราชได้มีเทพบัญชาให้ตนนำสุธาโพธมาถวายขอให้พระดาบทฉันสุธาโพธนี้ซึ่งเลิศกว่าพัดทุกอย่างอย่าได้ห้ามเสียสุธาโพธนี้มีคุณกำจัดโทษได้ถึง12ประการคือ 1. ความหิว 2. ความกระหายส ความไม่ยินดี 4. ความกระวนกระวาย 5. ความเหน็ดเหนื่อย 6. ความโกรธ 7. ความผูกใจโกรธ 8. ความวิวาท 9. ความสอดเสียด 10. ความหนาว 11. ความร้อน 12. ความเกียดคร้านโกสิยดาบทได้กล่าวแก่พระมาตลีว่าท่านได้ถือเคร่งในวัดอยู่ข้อหนึ่งว่า จะไม่ฉันเองก่อนที่จะแบ่งให้แกใครพระท่านได้เห็นว่ามีความเลวอยู่5ประการตามสุภาษิต ท, ที่ระ บ, บุถึงความเลวในตัวพฤติกรรมหรือผู้ประกอบพฤติกรรมนั่นเองดังต่อไปนี้ 1. การกินผู้เดียวพระอริยเจ้าไม่นับถือบูชา 2. คนไม่แบ่งพัดให้แก่ผู้อื่นย่อมไม่ได้ความสุข 3. คนเป็นชู้ด้วยภระยาของผู้อื่น ชื่อว่าเป็นคนฆ่าหญิง 4. คนด่าสมณะชีพรามผู้มีศีลวัดอันดีชื่อว่าเป็นคนประทุษร้ายมิดร 5. คนตรณหนีเหนียวไม่เฉลี่ยเผื่อแผ่คนอื่นบ้างเลยเลียวเป็นข้อที่หฉะนั้นท่านจะต้องแบ่งให้แก่ใครอื่นจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามก่อนแล้วจึงฉันในทันใดนั้นพระธิดาทั้ง4ี่องค์ของพระอินทร์ก็ได้พากันมาถึง องค์ศิรีได้ยืนทางทิศบุรพาองค์อาสาได้ยืนทางทิศทักษินองค์สัทธาได้ยืนทางทิศป จ, จิมองค์หิรีได้ยืนทางทิศอุดรกุศิยดาบทได้ทักถามองค์ที่ยืนทางทิศบุรพาก่อนองค์ศิรีผู้ยืนทางทิศนั้นได้ตอบแนะ น, นําตนพระดาบทก็ได้วิจารณ์แล้วก็ได้ทักถามองค์อื่นต่อไปโดยวิธีนี้จนครบทั้ง4ี่อง สรุปคำวิจารณ์ของโกิยดาบทในทิดาพระอินสี่องค์ดังต่อไปนี้องค์ศิรีนั้นคือสิริครบหาคนดีๆเมื่อปรารถนาสุขแก่ใครคนใดใครคนนั้นก็บันเทิงด้วยสุขสมปรารถนาทุกอย่างแต่ศิริไม่เลือกอนุคูณคนบางคนมีศิลปะวิทยาดีมีความประพฤติดีภาคเพียรทำการงานของตนอย่างเหงื่อไหลคลาย้อยแต่ศิริก็ไม่อนุคูณเขา เขาก็ต้องขัดสนจนยากแต่บางคนไม่มีศิลปวิทยาอะไรดีรูปร่างวิปริกชั่วชาติเหยียดคร้านกินจุสิริก็ไปอนุกูลเขาให้มั่งมีสีสุขเขาก็ใช้คนที่มีชาติสกุลได้เหมือนทาตเรือนเบีย้ยสิริจึงไม่รู้จักเลือกคนที่ควรและไม่ควรจะคบเลยที่ว่าสิริครบหาคนดีๆนั้นจึงหาได้หมายความว่าคนดีจริงๆไหมโดยที่แท้ ไปดูกันที่ทรัพรย์รวยรัพย์ก็ว่าดีแล้วเป็นการทับถมไม่ให้คนมองเห็นคุณของสุจริตธรรมในโลกสิรินี้เองมีส่วนให้เป็นดังนี้ไปได้จึงไม่เป็นที่ชอบใจแก่โกศยดาบทไม่ควรจะได้สุทาโพจน์เมื่อสิรถูกวิจารณ์ในทางเสียและถูกปฏิเสธก้อนตระทานวับไปในที่นั้นองค์อาสานั้นอาสาก็คือความหวัง ทำให้คนผู้หวังในความหวังลำบากมามากมายนักแล้วทำให้รบราฆ่าฟันกันด้วยความหวังจะเป็นเจ้าเป็นใหญ่ชนะแล้วก็กลับแพ้แย่ไปด้วยความหวังทาให้ฤาษีชีไพยบําเพนตะบะทรมานกายแรมเดือนแรมปีด้วยหมายสวัสด์แต่ถ้าเข้าทางผิดก็ไพรไปในนรกหวังอย่างหนึ่งฝนไพรไปอีกอย่างหนึ่งจึงเป็นอย่างที่เรียกว่า หวังลมหวังแรงโกศยดาบทจึงเรียกอาสาว่าตัวโกหกพกลมฉะนั้นก็ขอให้เลิกหวังในสุทาโพธหาสมควรจะได้สุทาโพธไม่ไม่ยินดีจะให้ขอให้ไปเสถิดเมื่ออาสาถูกวิจารณ์อย่างเสียหายทั้งถูกขับไล่ก็อันตรธานวับไปในที่นั้นองศรัตนนั้นศรัทธาก็คือศรัทธาความเชื่อทำให้คนพากันบริจาคทาน รักษาศีลสำรวิทรีแต่บางทีก็ทำให้คนพากันลักขโมยพูดเท็จพูด ส, อส่อเสียดคือเมื่อเชื่อถูกก็ชักให้ทำถูกเมื่อเชื่อผิดก็ชักให้ทำผิดเพราะใครจะทำอะไรก็มีความเชื่อนี่แหละชักไปทางนั้นเชื่อว่าทำอย่างนั้นดีจึงทำความเชื่อนี้ทำให้ยุ่งในครอบรครัวก็ได้ภรรยาเป็นคนดีแต่สามีไปเชื่อในหญิงถอยอื่น ก็สิ้นปฏิพัตในภรยาของตนซึ่งความจริงเป็นคนดีศรัทธาเป็นผู้ทำให้เชื่อแต่บางครั้งก็ทำให้เชื่อหลงหลงผิดผิดเป็นแหล่งก่อให้เกิดวิธีการชวนเชื่อต่างๆที่เป็นความเชื่ออย่างหลงงมงายเพราะผู้เชื่อเองโง่เขลาเบาปรราัญญาหรือถูกหลอกให้เชื่อจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำบาปห้ามการกุศลโกศยดาบทจึงยังไม่ชอบใจ จะให้สุดท้าพโอ์อยู่นั่นเองเมื่อศรัทธาถูกวิจาร์ว่าไม่ดีและถูกปฏิเสธเสียอีกก็อันตรธานวับไปในที่นั้นพระธิดาองค์ที่สุดคือหิรินั้นโกศิยาดาบททักถามสราบแล้วก็พอใจในคุณของเธอเพราะหิริก็คือหิริความละอายบาปรังเกจบาปเหมือนอย่างคนสะอาดรังเกจสิ่งสุกรก พระดาบทพอใจตั้งแต่เมื่อถึงวาระที่หันไปทักถามองค์หิรีก็ไม่ร้องขอสุธาโพธ์เหมือนอย่างอีกสามองค์แรกจึงสมควรจะได้สุธาโพธ์เพราะว่าสุธาโพธินี้หาใช่เป็นสิ่งที่ใครๆจะได้ด้วยการขอไม่ข้อนี้เป็นธรรมเกี่ยวกับสุธาโพธ์พระดาบทได้กล่าวแกอ่องค์ฮิรีว่าขอบูชาเธอด้วยสุธาโพธทั้งหมดแล้วจึงจะฉันส่วนที่เหลือในภายหลัง กล่าวแล้วได้ให้สุทาพุธแก่องค์หิรีเมื่อองค์หิรีได้รับสุทาพุธแล้วก็รีบไปเฝ้าพระบิดากลับทูลให้ทรงทราบเท้าสักกรินธระเทวราชทรงสมานัสเทพทั้งปวงก็พากันยินดีตั้งแต่นั้นมาเทพและมนุษย์ทั้งหลายก็พากันนับถือบูชาหิรีเทวีคือในฐานที่หิรีและอตปะเป็นโลกบาล คือทำเป็นเครื่องคุ้มครองโลกฝ่ายพระอินได้ทรงส่งพระมาตลีไปหาพระดาบทให้ถามว่าท่านเลือกให้แก่เทพกัญญาหิรีพระเหตใ ด, ดพระมาตลีได้ไปถามพระดาบทได้ตอบว่าท่านเห็นว่าสิรีเหลาะแหละศรัทธาไม่แน่อาสายิ่งโกหกพกลมส่วนหิรีมีคุณออมประเสริฐเช่นว่าสตรีภาพ เมื่อทราบว่าตนมีจิตปฏิพัตในบุรุษยอมห้ามจิตของตนไว้ด้วยหิริหมู่ชนผู้มีหน้าที่รบป้องกันรักษาประเทศออกไปในสนามรบสบระยุทธกับค่าศึกด้วยศรหอกดาบและอาวุธต่างๆจะถอยหนีหรือยอมแพ้แต่ด้วยมีหิริในใจจึงเกิดละอายอดสูยอมสละชีวิตต่อสู้ไม่ยอมถอยจึงจะนั่าศึก รักษาประเทศไว้ได้อิริเป็นเครื่องห้ามคนชั่วเหมือนอย่างฝั่งเป็นเครื่องห้ามกำลังแห่งสาครพระอริยะทั้งหลายจึงบูชาหิริในโลกขณะนั้นก็ได้ถึงกาลสิ้นสุดอายุของโกศิยดาบทพระมาตาลีได้ชักชวนให้ทิ้งกายมนุษย์ไปเกิดเป็นสหายพระอินโกศิยดาบทได้เคลื่อนจากกายมนุษย์เกิดเป็นเทพบุตรโดย อุปาติกะกำเนิดในทันใดนั้นพระมาตรีได้นําเทพบุตรเกิดใหม่ไปเฝ้าพระอินทร์ท้าเธอได้ทอดพระเนตรเห็นก็มีพระทา ย, ยินดีประธานหิรีเทวีแก่เทพบุตรนั้นโกศยดาบทนี้ท่านได้เล่าไว้ว่าก่อนบวชเป็นเศรษฐีผู้ตรณีที่เหนียวหนักหนาเป็นทายาทสืบตระกูลมาจากพระอินทร์เมื่อยังเป็นมนุษย์นั่นเอง แต่เท้าเธอเมื่อเป็นมนุษย์ใจบุญสุนทรยิ่งนักจึงได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ครั้นล่วงมาหลายชั่วคนจึงถึงเศรษฐีเหนียวผู้นี้พระอินทร์สอดส่องดูสายตระกูลของพระองค์ได้ทรงทราบจนกระทั่งว่าเศรษฐีนี้อยากบริโภคข้าป่าญาติแต่เกรงคนอื่นจะมาบริโภคด้วยจึงให้ภรรยาไปหลบหงอยอยู่ในป่าไม่ให้ใครเห็นพระอินทร์ ได้ไปทรมานด้วยผู้สกิดใจให้ได้คิดจนเศรษฐีละความตนีทำทานและออกบวชเป็นดาบทในที่สุดคำสกิดใจของพระอินทร์และเทพปริวารรวมอยู่ในหัวข้อว่ากินคนเดียวไม่ได้สุขกล่าวเป็นโอวาทบ้างเปรียบเทียบบ้างเช่นว่ามีน้อยควรให้น้อยมีปานกลางให้ปานกลางมีมากให้มากจะไม่ให้เลยไม่สมควร ผู้ที่มีแขกนั่งอยู่ด้วยแต่ก็บริโภคคนเดียวจะทำการบูชาบำบวงอะไรก็ไม่ได้ผลทั้งนั้นการที่บริโภคคนเดียวทั้งที่มีแขกนั่งอยู่ด้วยนั้นก็เหมือนอย่างกลืนเบ็ดนั่นแหละจึงควรที่จะให้ทานด้วยบริโภคด้วยกินคนเดียวจึงไม่ได้สุขเศรษฐีฟังไปฟังไปก็เกิดความเห็นต่าไปว่ากินคนเดียวไม่เป็นสุขแน่ เพราะคณะพระอิน์มานั่งพูดจี้ใจอยู่ที่แรกก็แสนลำคาญแต่เมื่อฟังไปคิดไปก็เห็นจริงจึงเริ่มแบ่งข้าวปลายาอให้แก่คณะพระอินเท้าเธอจึงแสดงพระองค์ว่าคือเท้าสกัเทวราชและประทานอกวาดเกศถีให้บริจาคทานเป็นการทำทางสวรรค์เหมือนดังบรรพบรุษในตระกูลของพระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วจิตใจของเศรษฐี ไม่อเดเริ่มเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปตรงกันข้ามทีเดียวมันอย่างที่เรียกว่าจากหลังมือเป็นหน้ามือคือจากตรณีที่สุดเป็นกว้างที่สุดแต่ก็ยังไม่ทิ้งลักษณะของเศรษฐีคือการเลือกเฟ้นที่จะให้ซึ่งเป็นลักษณะสับริสถานในพระพุทธศาสนาเรื่องเท้าสักกะในชาดกนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเทีนิยายเปรียบเทียบธรรมการเปรียบเทีเยบ มีเหตุผลน่าฟังและมีเขาเรื่องเท้าส ก, กะตามคติความเชื่อเก่าแก่ซึ่งสแสดงว่าผู้ที่จะไปเกิดเป็นเท้าส ก, กะนั้นไม่จาเป็นต้องไปเกิดมัจฉ ะ, ะคามมขรัศเป็นการผูกขาดแต่แห่งเดียวคือเหมือนอย่างมติของอัตถถาบางคำภีไปเกิดจากรัฐไหนก็ได้ในเมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนในคุณสมบัติแห่งผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระอิน และคําว่าพระอินเป็นตําแหน่งซึ่งมีจุติมีอุบัติมาตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาลเฉพาะในสมัยพุทธกาลนั้นพระอินทไปเกิดจากมคะมานพชาวบ้านมัจฉลคามมกุฎรัฐเห็นพอจะเรียกว่าพระอินทราชการปัจจุบันคือในสมัยพุทธกาลได้พระอินทในสมัยพุทธกาลซึ่งขึ้นไปจากชาติเป็นมคะมานพนั้นจะเป็นองค์ที่ขึ้นไปเกิด ยึดถิ่นอสูรสร้างสวรรค์ชั้นดาวดึงขึ้นใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็น่าจะเป็นพระอินกองค์ปฐมเทียบพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปราบดาพิเศษเป็นองค์ปฐมกษัตริย์ถ้าใช่ดังนั้นตั้งแต่สร้างสวรรค์ชั้นดาวดึงมาจนถึงสมัยพุทธกาลก็มีพระอินทเพียงองค์เดียวเรื่องพระอินทในกตินี้จึงคล้ายกับเรื่องการตั้งวงกษัตริย์ดังจะผูกเรื่องขึ้นเทียบว่า มีคนผู้หนึ่งเป็นคนฉลาดกล้าหาญมีอัธยาศัยดีชักชวนเพื่อนร่วมใจได้จำนวนหนึ่งแล้วก็พยพเดินทางไปหาถิ่นที่อยู่ใหม่ซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์เมื่อได้พากันไปพบถิ่นที่พอใจก็เข้ายึดขับไล่เจ้าถิ่นเดิมออกไปต่อมาก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์สืบพระวงต่อมาท่านจึงสันนิษฐานว่าเรื่องพระอินมีเขามาจากกษัตริย์ อินทวงศ์สมัยโบราณซึ่งยกเข้ามายึดชมพูทวีปขับไล่เจ้าถิ่นเดิมให้ถอยร่นไปและเมื่อสังเกตดูในศักยะสังยุตที่ได้นำมาเล่าไว้ข้างต้นแล้วก็จะเห็นว่าพระอินทร์นับว่าเป็นนักปกครองชั้นยอดกล้าหาญและฉลาดในการปกครองในคราวสงครามก็ฉลาดเลือกทรมาอบรมปลุกใจเทพบริษัทให้กล้าหาญ เพียรพยายามรบเอาชนะให้จงได้แต่ครั้นได้ชัยชนะแล้วพระอินทร์ได้อบรมให้มีขันติอดทนต่อพระรศวาจาของเฉลยไม่โกรธตอบและตอบโต้ในคราวสงบก็ผูกมิตรกับสตรู ก, ก่าแต่ก็ไม่ไว้วางใจทีเดียวพอใจเสด็จไปสนทนาไต่าถามธรรมกับพระพุทธเจ้าบ้างพระสาวกบ้างหรือีบ้างในบางครั้งบางกล่าว บางทีก็ชวนศัตรูเก่าซึ่งเป็นพ่อตาไปด้วยกันในคราปกติก็พอใจอบรมเทพบริษัทด้วยธรรมเช่นอบรมไม่ให้โกรธลอกจากนี้พระยินยังมีหน้าที่เกี่ยวกับมนุษย์โลกอีกมาก่างที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ต่างๆเช่นได้มาดีดพินสามสายแก่พระโพธิสัตว์เพื่อให้ทรงปฏิบัติในทางสายกลางต่อมาก็ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกหลายคราว มรณิพานก็ได้มากล่าวคถาแสดงธรรมสังเวชด้วยผู้หนึ่งและได้มาอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากมวยผมของโทนพรามขึ้นไปบรรจุไว้ในพระเจดีจุลามณีคือเรื่องพระเจดีนี้ได้เล่ามาแล้วว่าพระโพธิสัตว์ทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันขณะจะทรงผนวดนั้นพระอินได้มารับขึ้นไปสร้างพระเจดีบรรจุไวมีทั้งปิ่นปักระจุลา และเครื่องรัดจึงเรียกว่าพระเจดีจุลามณีนอกจากนี้ยังได้มาช่วยคนที่ตั้งอยู่ในธรรมให้พ้นจากฝ่ายอาธรรมอยู่บ่อยๆได้มาช่วยยืนเฝ้าประตูกุติของพระนีนผู้กำลังบำเพ็ญสมณธรรมใกล้จะสำเร็จเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปทำอันตรายแก่ความสำเร็จคือน่าสังเกตว่าเทวดาชอบมาช่วยคนมีเพียรในเวลาที่ใกล้จะสาเร็จผล หน้าที่ของพระอินทร์คล้ายเป็นโลกบาลได้อ่านหนังสือเรื่องเทวดาของพราหมณ์เล่มหนึ่งกล่าวว่าพระอินทร์เป็นโลกบาลทิศบุรภพาเป็นเจ้าของพวกพูดตามที่กล่าวนี้ก็ไปตรงในสุธาโพชนะชาดกที่เล่ามาแล้วซึ่งกล่าวถึงพระอินทร์ว่าภูตาทิปะแปลว่าเป็นใหญ่แห่งพวกพูดคือทิศตะวันออกนี้เท้าโลกบาลมีชื่อว่าทศตรศ ท่านว่าเป็นชื่อหนึ่งของพระอินด้วยเป็นเจ้าของคนทันก็ว่าเป็นเจ้าของพวกพูดก็ว่าเรื่องพระอินมีอยู่ทั้งในคติพรามทั้งในคติพุทธจึงน่าจะมีเล่าปะปนกันอยู่มากบางทีสัพท์เดียวกันแต่ให้ความหมายต่างกันเช่นปุรินท ะ, ทะซึ่งเป็นชื่อของพระอินชื่อหนึ่งในสกกะสัมยุตในพระไตรปิฎกให้ความหมายว่าผู้ให้ทานในการกอน ในคมภีร์พระเวทของพราหมณ์แปลว่าผู้ทลายเมืองป้อมหรือทลายป้อมจับได้ว่าเรื่องพระอินท์เป็นเรื่องเก่าแก่ทางพราหมณ์ก็จับมาเล่าพรนานาไปตามลัทธิพราหมณ์ทางพุทธก็จับมาเล่าพรนานาไปตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาใช้คําเดียวกันแต่ให้ความหมายไปคนละอย่าง